เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีแม่ลูกโดนฆ่าเผาบ้านเรื่องนี้เจ้าของเรื่องได้เล่าย้อนกลับไปเมื่อ17ปีที่แล้วตอนนั้นมีเหตุการณ์ฆาตกรรมสองแม่ลูกแล้ววางเพลิงเผาบ้านทําลายหลักฐานเป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับเหตุการณ์นี้ ยังจำติดตาผู้เล่ามาจนถึงทุกวันนี้เวลาตี4ี่นาทีมีเสียงคนโวยวายมาจากชุมชนจนต้องลุกออกจากเตียงนอนออกมาดูทางหน้าต่างภาพที่เห็นก็คือเปลวไฟพวยพุ่งออกมาจากบ้านหลังเล็กๆชั้นเดียวซึ่งเป็นบ้านที่อยู่โดดเดี่ยวห่างจากบ้านของชาวบ้านหลังอื่นๆซึ่งก็ห่างจากบ้านของผมแค่เพียง60เมตรเท่านั้น ชาวบ้านหลายๆคนต่างวิ่งกันมาแล้วหาทางน้ำมาช่วยกันดับไฟรวมถึงตัวผมด้วยที่วิ่งลงจากชั้นสองของบ้านคว้าทางน้ำไปดับไฟโดยมีคลองอยู่ใกล้บ้านหลังนั้นพอดีไฟได้ดับลงเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ45นาทีเห็นจะได้จากการคาดทะเนชาวบ้านหาอุปกรณ์ส่องสว่างกันมา เพื่อที่จะส่องดูบ้านหลังเล็กๆหลังนี้ว่ามีคนอยู่หรือไม่แต่เพราะว่ายังไม่กล้าเข้าไปรื้อของภายในบ้านได้แต่รอให้ตำรวจมาตรวจสอบกว่าจะเข้าไปดูก็รอจนมีแสงอาทิตย์สาดส่องเวลา6นาฬิกานาทีชาวบ้านพร้อมตำรวจเข้าตรวจซากกองเท่าฐานนั้นพบศพสองหญิงแม่ลูก ที่ดำเป็นตอตะโกกลิ่นเนื้อคนสุกๆมันเป็นแบบนี้นี่เองสศอิดสะเอียนบอกไม่ถูกร่างคดคบางส่วนเนื้อฉีกขาดเห็นเนื้อภายในขาวๆจากการโดนความร้อนจนสุกเสื้อผ้าไหมเกือบหมดมีเข็มขัดแบบคนแก่ที่เป็นโลหะลายไทยมัดมืออยู่ด้วยจากการพิรสูจนศพแล้วตำรวจ ทำให้เรื่องจบลงง่ายๆว่าเป็นเพลิงไหม้เพราะว่าผู้ตายไม่มีญาติมาแจ้งความหรือติดตามคดีจนปิดสำนวนไปว่าถูกไฟคลอกตายซึ่งต่างจากชาวบ้านใกล้เคียงที่ออกมาบอกกันหลายคนว่ามันคือการฆาตกรรมแน่นอนหลังจากพิธีศพแบบสงเคราะห์จากการช่วยๆกันของชาวบ้านก็ผ่านไป แต่ความสยองและความน่ากลัวของจุดเกิดเหตุที่มีคนตายโหงถึงสองคนนั้นทําให้มีเสียงร่ำลือของวิญญาณแม่ลูกที่ออกมาปรากฏให้เห็นกันบ่อยๆเหมือนว่าอยากจะมาทวงความยุติธรรมโดยที่ทางเดินหน้าบ้านของสองแม่ลูกนี้ซึ่งคนแถวนี้ต้องใช้สัญจรไปมาแต่พอตกกลางคืนก็ไม่มีใคร กล้าผ่านเลยหนึ่งปีต่อมาผมและเพื่อนสามคนดนัดกันมาตกปลาแถวบ้านผมซึ่งเป็นคลองเวลาห้าทุ่มสิบนาทีเพื่อนเพื่อนผมก็มาถึงหน้าบ้านผมออกมานั่งตกปลากับเพื่อนโดยเดินไปหาทำเลดีๆเพื่อตกปลาก็นั่งคุยกันไปกินเหล้ากันไปตกปลากันไป แล้วหนึ่งในบรรดาเพื่อนผมก็ลุกขึ้นถือคันเบ็ดเตรียมจะไปไหนสักที่ผมจึงถามว่าเอา้าจะไปไหนมันก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองเดินไปหาทำเลตกปลาดีๆผมก็เลยปล่อยมันไปเวลาตีหนึ่งห้านาทีฝนตกปโปรยปลายลงมาเสียงกบร้องกันดังสนั่นในยามดึกผมและเพื่อนอีกคน ตกลงกันว่าจะลองเดินไปส่องกบตามเสียงนั้นไปซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมาจากทางหลังวัดผมเตรียมอุปกรณ์ฉมวกเหล็กแหลมและไฟฉายไปกับเพื่อนอีกคนส่วนเพื่อนอีกคนที่เหลือก็เฝ้าเบ็ดตกปลาต่อผมกับเพื่อนเดินตามเสียงกบร้องไปจนมาถึงใกล้ๆรั้ววัดวัดหนึ่งแถวบ้าน ผมเดินไปจนถึงสถูปหรือเจดีที่เก็บกระดูกคนตายผมก็ส่องไฟเข้าไปบริเวณใต้ฐานสถูปหรือเจดีเก็บกระดูกนั้นจากแสงไฟฉายศาสง่งก็ได้เห็นตาแดงๆแต่ไม่น่าจะเป็นตาของกบเพราะช่วงห่างของดวงตามันห่างกันมากถ้าเป็นกบจริงๆคงจะตัวใหญ่มากเลยทีเดียวผมกับเพื่อน จึงเริ่มมองหน้ากันแล้วรีบถอยออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดเพราะเริ่มจะดูไม่เข้าท่าเสียแล้วที่เราเจอกันนั้นมันตัวอะไรกันแน่ผมสองคนรีบกลับมาที่เพื่อนตกปลาโดยเร็วแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพื่อนคนแรกที่แยกตัวไปหาตกปลาคนเดียววิ่งร้องแหกปากตะโกนดังลั่น ท่ามกลางความเงียบสงัดยามดึกผมหันไปตามเสียงนั้นภาพที่เห็นก็คือเพื่อนของผมวิ่งมาจากแถวแถวบ้านคนตายสองแม่ลูกนั้นมันตะโกนว่าผีหลอกผีหลอกผีหลอกผมได้ยินก็ยังไม่อยากจะเชื่อนึกว่าเพื่อนผมมันอำเล่นแต่ไม่ใช่แล้วเพราะดูมันจะคุ้มคลั่งวิ่งเข้าไปตามบ้านคนในชุมชน จนคนทั้งชุมชนแตกตื่นพากันออกมาดูพวกผมก็เริ่มตกใจวิ่งตามมันไปดูเพราะว่าตอนนี้มันเตลิดคุ้มคลั่งชาวบ้านก็ออกตามมาดูกันเพื่อนผมได้ไปอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งแล้วนั่งมุดตัวลงไล่ให้คนออกไปแล้วร้องด่าไอ้พวกผีไอ้พวกผีออกไปออกไปจากนั้น มันคว้าแก้วน้ําได้มันก็เอาไปตักน้ําเน่าๆหลังบ้านแล้วก็พูดว่านี่น้ำมนอย่าเข้ามาใกล้นะกูมีน้ำมนพวกผมเข้าไปเรียกมันแล้วก็พูดปลอบมันอยู่นานมันถึงยอมสงบแต่มันก็ไม่ยอมออกมาจากมุมนั้นจนมีลุงคนหนึ่งเอาสร้อยพระมาใส่คอมันแล้วมันจึงยอมออกมาแล้วก็สลบไปพวกผม รีบโทรไปบ้านพ่อแม่ของมันให้มารับตัวพอรุ่งเช้าพ่อแม่ของเพื่อนก็มารับมันกลับไปเช้าวันนั้นชาวบ้านต่างพูดกันถึงเรื่องนี้ทุกคนต่างก็จับกลุ่มคุยกันบอกว่ามันโดนผีแม่ลูกเล่นงานเพราะคงเดินไปตกปลาแถวนั้นไม่ก็ไปลบหลู่อะไรสักอย่างพูดแล้วผมคนลุก